วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธสาสนิกชนหยุดภารกิจการงานต่างๆหนึ่งวันให้มาวัดกันเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาหาความรู้ที่เป็นความรู้ ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่มีคุณมีประโยชน์ต่อความสุขต่อความเจริญของจิตใจของพวกเราเพราะถ้าเราไม่มีความรู้ทางธรรมไม่รู้ความจริงว่าเราเป็นใคร เราก็จะหลงกันเราหลงแล้วเราก็จะทุกข์กันตอนนี้พวกเรามีความทุกข์กันก็เพราะว่าเรามีความหลงกันเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นตัวเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใคร เราจึงมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้จากตัวเรารู้ว่าเราเป็นใครตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสงสอนว่าเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สุขผู้ทุกข์ผู้มีความรู้สึกนึกคิด เราเรียกผู้นี้ว่าใจหรือจิตหรือจิตใจนี่แหละคือผู้รู้คือคือตัวเราอที่แท้จริงส่วนร่างกายที่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงผู้รับใช้เรา เราได้ร่างกายมาจากพ่อแม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะความหลงของเราหลงไปคิดว่าความสุขของเรานั้นอยู่ที่การมีร่างกายเพาเมื่อมีเราเพราะเมื่อเรามีร่างกายแล้วเราจะได้ใช้ร่างกาย ไปหาความสุขต่างๆความสุขที่เราหากันในโลกนี้ก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกริมกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะการที่เราจะมีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตะเราต้องมีร่างกาย เราจึงมามีร่างกายกันก่อนที่เราจะมานี่เราก็เคยมีร่างกายมาก่อนแต่ร่างกายอันเก่าของเรามันแก่มันเจ็บและมันตายไปแล้วเราเลยต้องมาหาร่างกายอันใหม่มาพบพ่อแม่คนใหม่พอเราได้พบพ่อแม่คนใหม่เราก็ได้ร่างกายอันใหม่ ่อร่างกายออกจากท้องแม่มาเราก็จเจริญเ ต, ติบโตจนร่างกายนี้สามารถทำอะไรเองได้เราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆแล้วเราก็ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายความจริงเราเป็นผู้ใช้ร่างกาย ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นคนขี่มา้าม้านี่เป็นเหมือนร่างกายส่วนคนขี่นี่ไม่ได้เป็นมา้าคนขี่เป็นคนสั่งให้มา้าวิ่งไปทิศนั้นทิศนี้ให้วิ่งช้าวิ่งเร็วให้หันกลับไปกลับมาคนขี่ม้านี่เป็นคนควบคุมมา้าจิตใจก็เป็นเหมือนคนขี่มา้า จิตใจเป็นคนควบคุมร่างกายสั่งให้ร่างกายเดินไปทางนั่นเดินมาทางนี้สั่งให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายพูดนี่แหละคือเราเพียงแต่ว่าตัวเรานี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราเลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา พอเราใช้ร่างกายเราผัเราทําอะไรเราทําผ่านทางร่างกายเราคิดคิดว่าอยากจะเดินไปตรงนู้นเราก็เดินไปกับร่างกายสั่งให้ร่างกายเดินไปเราคิดเราอยากจะทําสิ่งนั้นเราอยากจะทําสิ่งนี้เราก็ไปกับร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเร า, เ, าเป็นของเรา พอเราไปคิดอย่างนี้เราก็ซ่องมาทุกข์วุ่นวายกับร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้แล้วมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วมันก็ตายได้มีอุบัติเหตุก็ตายได้ยังไม่ทันแก่ยังไม่ทันเจ็บก็ตายได้พอเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอรู้ว่าร่างกายจะต้องมีอันเป็นไปเราก็เลยไม่สบายใจอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่ด้วยความวิตกกังวล นี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกาย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 แต่ความหลงมันไปทำให้เราคิดว่าเราเจ็บไปกับร่างกายแต่ความจริงเราเป็นเพียงผู้รับรู้ความเจ็บของร่างกายเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายที่เราเจ็บก็เพราะว่าเราไปอยากไม่ให้ความเจ็บมันหายไปหรือความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เราเจ็บกันทำให้ใจเราเจ็บ ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราถ้าเรารู้เราก็จะไม่เจ็บไปกับร่างกายเช่นเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรเราจึงไม่ค่อยเป็นอะไรไปกับร่างกายของคนอื่นเพราะเรารู้ เรารู้ว่าร่างกายของคนนั้นเขาไม่สบายเขาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่เรารู้เฉยๆรู้แต่เราไม่เจ็บไปกับความเจ็บของเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เจ็บไปกับเขาเนี่แหละคือความหลงที่ไปทำให้เราคิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเราเวลาร่างกายเป็นอะไร เราก็เลยเป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็แก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บเราก็เจ็บไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายทั้งที่เราไม่ได้ตายเราไม่มีวันตายนี่นคือความวิเศษของของใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเราทุกคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราก็คือเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใจที่ไม่มีวันตายที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บเราไม่รู้ว่าความเจ็บของใจเรานั้น <S <S เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา พอเราคิดว่าร่างกายเป็นเราเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความไม่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แหละที่ทำให้ใจเราเจ็บกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เพราะเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายที่แก่ที่เจ็บที่ตายคือร่างกายซึ่งเป็นเหมือนคนอื่นเราเห็นคนอื่นแก่เราเห็นคนอื่นเจ็บเราเห็นคนอื่นตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตายของคนอื่นเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาแต่พอมามาที่ร่างกาย เ, you, เรานี้เรากลับไม่รู้ เรากลับไปหลงว่ามันเป็นเรากลับไปหลงว่ามันเป็นเรามันแก่เราก็เลยแก่เราก็เลยคิดว่าเราแก่แต่เราอยากไม่แก่เราก็เลยต้องไปทุกกับความความแก่เพราะความอยากไม่แก่ไม่ใช่เพราะความแก่ความแก่ไม่ได้ทำให้ใจเราเดือดร้อนถ้าเรารู้ว่าร่างร่างกายที่แก่ไม่ใช่เรา เจนร่างกายคนอื่นที่แก่นี้เราไม่เดือดร้อนเห็นคนแก่เราไม่เดือดร้อนเห็นคนเจ็บเราไม่เดือดร้อนเห็นคนตายเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเราแล้วเรารู้ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้กับความแก่กับความเจ็บกับความตายนี้เรารู้ว่าห้ามไม่ได้ คนจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้คนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราห้ามไม่ได้คนจะตายเราห้ามไม่ได้เราจึงไม่ทุกข์กับคนคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็รู้ว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเราเลยวางเฉยได้เราเลยไม่เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ แต่พอมาที่ร่างกายขอ ง, ของเรานี่กลับเป็นคนละเรื่องไปพอมาที่ร่างกายของเรานี่มันมีคำว่าเราอยู่เสียแล้วเราไปคิดว่ามันเป็นเราเสียแล้วพอไปคิดว่ามันเป็นเราเราก็เลยอยากไม่แก่ทันทีอยากไม่เจ็บทันทีอยากไม่ตายทันทีพอเราแก่เราก็เลยทุกข์กันพอเราเจ็บเราก็เลยทุกข์กัน พอเราจะตายเราก็ทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยร่างกายไม่ใช่เราร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่ได้ทำให้ใจแก่ใจเจ็บใจตายไปกับร่างกายนี่คือความรู้อันวิเศษความรู้อันประเสริฐที่เราจะไม่ได้รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อันนี้แหละแล้วถ้าเรารู้แล้วเราเชื่อแล้วเราเปลี่ยนใจได้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจคิดใหม่ว่าต่อไปนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราให้มองร่างกายว่าเป็นเหมือนกับคนรับใช้เราคนรับใช้เราเรามีคนรับใช้เราทําอะไรให้เรา เราไม่ได้ไปทุกข์กับเขาเท่าไหร่เขาแก่เราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาเขาเจ็บเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาเขาตายเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาอตอนนี้มีปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วถ้าใครยังอยากจะนั่งต่อก็ลองนั่งไปก่อนถ้าใครอยากจะขยับขยายก็ตามสบายเพราะบางทีฝนก็อาจจะไม่ตก เพียงแต่ผ่านมานิดหน่อยป่าผมน้ำมนต์เทวดาเอาน้ำมนต์มาฝากมาแสดงอนุโมทนาในบุญในกุศลที่พวกเรามาทำกันในบัดนี้แต่ถ้าเทวดาอยากจะละให้เราอาบน้ำ mm hmm. ก็อาจจะต้องย้ายที่เพราะเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยน เดี๋ยวอาบแล้วเดี๋ยวเสื้อผ้าเปียกปอนแล้วจะไม่มีอขึ้นมาดังข้างหน้านี้ก็ได้นะข้างหน้านก็มีที่นั่งใกล้ๆก็มาได้ที่ว่างาถ้าอยากจะย้ายที่ก็ย้ายได้ตอนนี้อพักการแสดงทาไว้ชั่วคราวก่อนอญ า, าติโยมได้ปรับสถานการณ์แต่อาจจะไม่ตกก็ได้ ฝนฟ้าอากาศก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองร่างกายเราว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่สุขไปตลอดมันไม่ทุกข์ไปตลอดมันไม่เจ็บไปตลอดเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายเจ็บได้แต่ที่สำคัญขอให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราถ้าเราสามารถ แยกใจของเราออกจากร่างกายได้ตอนนี้ก็แยกได้ด้วยการคิดเท่านั้นเองแต่ยังแยกไม่ได้เต็มที่เพราะว่าสิ่งที่มันไม่ยอมให้เราแยกมันมีอยู่ในใจเราคือกิเลสตัณหาของเรานี่มันเป็นเหมือนกาวตาช้างมันผูกใจให้เราติดอยู่กับร่างกายอย่างเหนียวแน่นการที่เราจะแยก แล้วใจออกจากร่างกายนี้เราต้องเอาธรรมะมาละลายกาวที่มันติดอยู่กับใจกับร่างกายเหมือนน้ำเวลามีกาวติดกับกระดาษนี้ถ้าเราอยากจะให้มันแยกออกจากกานันนี้เราต้องเอาน้ำมาปะไว้พอมันเปียกกาวมันก็จะละลายนะเป็นบุญของพวกเรา ที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนความจริงเรื่องของเราเรื่องของตัวเราว่าเราเป็นใครกันแน่ขอให้รู้ว่าเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเนื่องจากใจเรายังมีความอยาก ที่จะหาความสุขจากสิ่งที่ร่างกายหามาได้เรายังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพระอยู่เราเลยต้องไปมีร่างกายเหมือนกับเวลาที่เราต้องกาเราเรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ถ้าเราต้องเดินทางเราก็ต้องมีรถยนต์ เราก็ต้องคอยซื้อรถยนต์อยู่เรื่อยๆรื่อยถยนต์คันเก่าพังไปเราก็ต้องไปซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะเราต้องอาศัยรถยนต์พาเราไปไหนมาไหนนั่นเองการที่เรามาเกิดมามีร่างกายก็เพราะว่าเราต้องอาศัยร่างกายพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง มันจึงทำให้เรามีความผูกพันกับร่างกายนี้มากถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ยังตัดมันไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้เพราะเรายังต้องพึ่งพาสายร่างกายนี้ ให้ความสุขกับเราดังนั้นถ้าเราอยากที่จะปล่อยวางร่างกายแยกตัวเราออกจากร่างกายนี้เพียงแต่รู้เฉยๆนี้ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้พราอุปทานความยึดติดของร่างกายที่เป็นเหมือนกาว มันยังดูใจให้ติดอยู่กับร่างกายอยู่ถ้าเราอยากจะแยกร่างกายออกจากใจเราจึงต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวน า, เ, าเราจำเป็นจะต้องใช้ธรรมะคือสติกับสมาธิ และปัญญาเราถึงจะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้อย่างผาวนแต่การได้ยินได้ฟังการได้รู้นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีควาได้รู้เราได้รู้ว่าปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกัน ปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่เราไปเตดร่างกายไปยืดร่างกายไปอาศัยร่างกายหาความสุขต่างๆดะนั้นเราต้องมาหยุดการพึ่งร่างกายนี้การจะหยุดพึ่งร่างกายนี้ก็ก็เช่นเดียวกับการที่เราจะ แยกออกจากร่างกายแยกใจออกจากร่างกายเป็นการกระทาอันเดียวกันเรามาหยุดใช้ร่างกายก็เท่ากับเรามาแยกใจเราออกจากร่างกายวิธีที่เราจะไม่ใช้ร่างกายก็คือให้เรานั่งเฉยๆแล้วก็ทำใจให้สงบหยุดคิดถึงร่างกาย อยูคิดถึงกิจกรรมที่เราจะทำผ่านทางร่างกายนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้าเราสามารถนั่งดูลมไปเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เดี๋ยวใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันร่างกายใจก็จะหยุดอาศัยร่างกายชั่วข่าวใจจะมีความสุขในตัวเองนี่คือวิธีที่เราจะเริ่มต้นในการที่เราจะแยกร่างกายออกจากแยกใจออกจากร่างกายแล้วก็เลิกพึ่งร่างกาย ให้ใจนี้มาพึ่งใจเองดีกว่าพึ่งความสุขที่มีอยู่ในใจต่อไปจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอมีความสุขอยู่ในใจแล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้พอจะเห็นโทษของการมีร่างกายเราเห็นกันเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จะไม่มีมันเราก็ทุกมีมันมันก็ทุกเราก็ระ oh um, ยอมทุกข์กับการมีร <oui. S 1> well ่างกายดีกว <Serv us, S 1> ่าการไม่มีร่างกายเพราะการไม่มีร่างกายนี้เราจะทุกข์มากกว่าการมีร่างกายก็ทุกแต่ทุกเป็นพักๆทุกตอนที่มันแก่ทุกตอนที่มันเจ็บทุกตอนที่มันตาย แต่ตอนที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ยังอาศัยมันหาความสุขให้กับเราอยู่เราก็เลยยอมรับสภาพยอมทุกขกับการมีร่างกายแต่ถ้าเราได้มาฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะได้ความสุขในใจเราเราจะได้ความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกาย เมื่อเรามีความสุขในใจทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ได้และความสุขในใจนี้มันดีกว่าความสุขทางร่างกายด้วยเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขทางร่างกายมันเป็นความสุขชั่วคราวได้ความสุขแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็ตามมา ก็ต้องหาความสุขใหม่บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราได้มาฝึกทำสมาธิได้พบกับความสุขภายในใจแล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้<ม>แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายอ พอเราไม่พึ่งร่างกายเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายเพราะเรายังสามารถมีความสุขได้มีความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำขั้นที่สอง ขั้นที่หนึ่งต้องรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราและเราพึ่งมันไม่ได้ให้มันหาความสุขให้กับเราไม่ได้ตลอดเวลามันจะต้องมีเวลาที่มันจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ให้เรามาหาความสุขจากการฝึกสมาธิดีกว่าจากการทําใจให้สงบดีกว่า เพราะถ้าใจเราสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเพราะเราไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราเพียงแต่นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออก เราก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ว่าเรากำลังรู้อยู่รู้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราทาได้แล้วเดี๋ยวใจเราก็จะสงบจะนิ่งจะไม่คิดปรุงแต่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากทำอย่างนี้พอเราทาเป็นแล้วเราทําบ่อยๆเราก็จะชานาน นั่งห้านาทีมันก็สงบได้ทันทีแต่ตอนเริ่มทำใหม่ๆนี้นั่งไปเท่าไหร่ก็ยังไม่สงบเพียงแต่ว่ายัางน้อยได้นั่งเฉยๆแต่ยังไม่สงบยังไม่มีความสุขยังรู้สึกอึดอัดยังรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อันนี้เราต้องอดทนทำไปเถิด นี่มันไม่มีอะไรจะดีกว่าการมาทางนี้ถ้าเราฝึกฝนอบรมทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะคล่องกับการทำใจให้สงบเหมือนเราหัดทำอะไรใหม่ๆนี้จะรู้สึกยากหัดขี่จั ก, กรยานใหม่ๆก็ยากหัดว่ายน้ำก็ยาก แต่พอเราหัดไปทำไปเดี๋ยวเราก็ชำนาญพอชำนาญแล้วทีนี้เราก็ทำได้อย่างง่ายดายการฝึกสมาธิก็เหมือนกันเหมือนกับการว่ายน้าการหัดว่ายน้ําหรือการหัดขี่จักรยานต้องใช้ความพยายามต้องพยายามอดทนยอมเจ็บบ้างขี่จักรยานหัดขี่ใหม่ๆก็อาจจะล้มบ้าง อาจว่าน้าก็อาจจ ะ, ะจมน้ำบ้างแต่ถ้าเราพยายามหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้พอเราทำได้เราสามารถหาความสุขจากการทำสมาธิได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสัรเสรนไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพะ มาให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เพราะเรารู้ตามคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอเราได้พบกับความสุขพบกับความสุขแบบใหม่ ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็เลิกใช้ร่างกายได้อพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายที่ร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอเหมือนกับเวลาที่เรามีรถคันเก่าเราถ้ามีรถคันเดียวถึงแม้มันจะเก่ายัางไงเราก็ต้องซ่อมมันใช้มันไปแต่พอเราได้ซื้อรถคันใหม่นะ รถคันเก่าเราก็เลิกใช้มันได้ทันใดถ้าเราสามารถหาความสุขจากรถคันใหม่คือหาความสุขจากใจได้เราก็ไม่ต้องใช้รถคันเก่าคือร่างกายเลิกใช้รถคันเก่าจอดมันไว้เฉยเฉยมันจะเสียก็ไม่ต้องไปซ่อมมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วไม่ต้องอาศัยมัน นี่คือวิธีที่เราจะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปต่อไปร่างกายแก่เราก็จะไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์ ร่างกายตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะใจไม่ได้อาศัยร่างกายไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ทุกข์ที่เราทุกข์กันเพราะเรายังอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายนั่นเองแต่พอเราไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนปล่อยมันแก่ได้ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายได้เอดังนั้นเราควรที่จะมาฝึกสมาธิกันการจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนสตินี่เปรียบเหมือนเชือกใจเรานี้เปรียบเหมือนลิงใจเรามันชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดตลอดเวลา คิดถึงก่อนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะให้ใจหยุดคิดเราต้องมีสติที่เป็นเหมือนเชือกที่จะมามัดความคิดหยุดความคิดเหมือนกับเราเชือกไปมัดลิงถ้าเราอยากให้ลิงมันอยู่เฉยๆเราต้องเอาเชือกไปมัดมือมัดเท้ามันไว้ถ้ามัดมือมัดเท้ามันมันก็จะ ไปไหนทําอะไรไม่ได้มันก็จะนอนอยู่เฉยๆใจเราก็เป็นเช่นนั้นจะจําทําใจให้สงบนิ่งได้เราต้องมีสติกันสตินี้ก็คือผู้ที่จะหยุดความคิดตอนนี้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติหยุดได้แต่หยุดแป๊บเดียวบอกให้หยุดหยุดได้สองวินาทีแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดต่อ แสดงว่าเรามีสติน้อยเราต้องมาสร้างสติกันวิธีที่จะสร้างสติก็คือเราต้องให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคำบริกรมพุทโธก็ได้ ใ, ให้เราหมั่นพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจท่องพุทโธพุทโธไปในใจเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ หรือถ้าเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดบทอิติปิโสก็ได้อิติปิโสเนี่ยที่ทำไมเราจึงไหว้พระสวดมนต์กันอันนี้เป็นอุบายให้เราฝึกสติกันนั่นเองให้เราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้เวลาเราสวดมนต์นี้เราจะคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ได้ เรื่องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ได้เพราะเราต้องคอยสวดมนต์อยู่ อ, อันนี้แหละคืออุบายของการฝึกสติเพียงแต่ว่าเราสวดกันน้อยสวดกันแค่วัน ล, ละครึ่งชั่วโมงหรือไม่สวดเลยอาจจะเอาแค่วันพระถึงจะสวดกันสักครั้งหนึ่งหรือวันพระก็ไม่สวดกันไม่เคยฝึกสติกันเลยเราจึงนั่งสมาธิกันไม่ได้ เพรเวลานั่งแล้วมันจะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเพราะที่มันอึดอัดเพราะใจมันดิ้นไงใจมันไม่ยอมพอะจะไปจับมันมัดเท่านั้นมันก็ดิ้นต่อสู้เลยมันเลยทําให้เรานั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้ทั้งทั้งที่การนั่งสมาธิเป็นการเป็นสิ่งที่ง่ายแสน ง, ง่ายอะไรจะง่ายเท่ากับการนั่งเฉย นั่งเฉยๆนี่มันง่ายกว่าการไปกระโดดโลดเต้นไปทําน้นทานี่ไปปีนเขาไปกระโดดน้าไปกี่จักรยานมันยากกว่าต้องเยอะแยะเรากลับทํากันได้แต่ของง่ายๆเรากลับทํากันไม่ได้เพราะใจเราไม่ยอมทําใจเราไม่อยากทํเหนั้นเราต้องมาหยุดความไม่อยากทํา้นี่ให้ได้ ห ย, หยุดกิเลสตัณหาที่คอยต่อต้านการนั่งเฉยๆจะต่อจะหยุดมันได้เราต้องใช้สติงั้นให้เรามาหัดสติกันตอนที่เราจะนั่งถ้ายังไม่มีสตินั่งก็จะนั่งไม่ได้นานนั่งแล้วก็จะไม่สงบต้องฝึกสติให้มากๆฝึกสติอยู่เรื่อยๆ สตินี่เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอนหลับขอให้เราหัดท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราท่องน้องเนื้อท่องน้องเหนื่อยอยากจะหยุดก็ได้เปลี่ยนจากการท่องพุโทโธมาดูการกระทำของร่างกาย ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังเดินก็ให้เดินไปกับร่างกายร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับร่างกายร่างกายกำลังหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารก็รับประทานไปกับร่างกายอย่าไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอันนี้เป็นการฝึกสติถ้าเราฝึก ใจให้เกาะติดอยู่กับร่างกายได้เวลานั่งสมาธิเราก็ให้ใจเกาะติดอยู่กับลมหายใจได้ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวเราก็จะดูลมหายใจได้ลมหายใจเข้าเราก็จะดูเราก็จะรู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็จะรู้ว่าหายใจออกถ้าเรารู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจเราจะนิ่งจะสงบ แล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่คือการผดปล่อยวางร่างกายหยุดใช้ร่างกายถ้าเราสามารถที่จะมีความสุขภายในใจได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุข ภายนอกไม่ต้องไปหาเงินทองไม่ต้องไปหาเท่าของอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขอยู่ตามลำพังได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเท่าของเงินทองเมื่วานนี้เราวุ่นวายไปกับเท่าของเงินทอง ว่นวายไปกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราเรามีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับ มันจเจริแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสืออ่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปยอบยั้งมันได้แต่ใจของเราอยากจะให้มันไม่เสือ่อมอยากจะให้มันไม่ไปอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆ เ, เราเลยทุกกันเวลาที่เขาจากเราไปเราล้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเราสามารถ นั่งสมาธิได้ทำใจของเราให้สงบได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาคอยให้ความสุขกับเร า, เ, าเราก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับข้าวของเงินทองไม่ต้องวุ่นวายไปกับคนนั่นคนนี้เพราะ เ, เราสามารถอยู่คนเดียวได้ยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พตะพเจ้ า, รราตอนก่อนที่จะบวชท่านก็ต้องอยู่ในวังต้องมีคนคอยรับใช้มีบริษัทบริวารมีอะไรต่างๆมากมายเพื่อให้มีความสุขแต่พอท่านไปบวชท่านไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบได้ท่านก็อยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายไปกับ คนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเราสอนให้พวกเราได้รู้จักปล่อยวางร่างกายเพราะการไปหลงยึดติดกับร่างกายนี้จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องเลิกยึดติดร่างกายเลิกใช้ร่างกาย เลิกพึ่งร่างกายเราจะเลิกได้เราก็ต้องมีวิธีหาความสุขแบบใหม่วิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการหาความสุขจากการจากความสงบของใจใสิ่งที่เราต้องมีคือสติและสติก็เป็นสิ่งที่เราหากันได้สร้างกันได้ทุกคน เพราสติมันเป็นสมบัติที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเราไม่ต้องไปค้นหาจากที่นั่นที่นี่เพียงแต่ให้เราหัดเราเรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของน่างกายไปเราก็จะมีสติ พอเรามีสติแล้วเราก็จะนั่งเฉยๆได้แล้วก็จะมีความสุขจากการนั่งเฉยๆ<ม>เราก็จะได้อยู่คนเดียวได้อยู่แบบไม่มีร่างกายก็ได้ต่อไปต่อไปถ้าร่างกายไม่มีเราก็ยังอยู่ต่อ<ม>และเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าการไปมีร่างกายนี้เป็นการไปหาความทุกข์นั่นเอง พราะเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมามีการพัดพากจากการตามมาเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของเราในปัจจุบันนี้<ม>ตอนนี้เรามีร่างกายเดี๋ยวเราก็ต้องมาทุกขกับความแก่ของร่างกายทุกขกับความเจ็บของร่างกายทุกขกับความตายของร่างกายทุกขกับการพัดพาก จากคนนั่นคนนี้ <Yeah. S 1> เวลาคนนั่นคนนี้ตายจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้กัน <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรายุติการมีร่างกายได้ <Yeah. S 1> เราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กันแบบนี้ต่อไปเนี่ย <Yeah. S 1> เราสามารถทำได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสอนพวกเรากัน <Yeah. Okay. S 1> แล้วก็มีคนทาได้มากมาย คนที่ทำได้ก็กลายเป็นพระสาวกไปเป็นพระอริยบุคคลไปที่เราเรียกว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปฝึกสติไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆ ยึดติดอะไรก็ตัดมันยึดติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดมันยึดเงินยึดทองก็ตัดมันยึดติดกับคนนั้นคนนี้ก็ตัดมันตัดมันไปให้หมดให้อยู่คนเดียวให้ได้ เ, ออเพราะอยู่คนเดียวได้แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้าต้องมีคนนั้นมีคนนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เดี๋ยวเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์กัน พวกเราทำได้ทุกคนเพราะเรามีครูมีอาจารย์คอยสอนมีพระพุทธเจ้าเป็นครูพระบรมศม า, าสดาเป็นครูใหญ่แล้วก็มีพระอริยสงสาวกเป็นผู้ช่วยคอยมาสั่งมาสอนคอยมาเรียกให้เราไปปฏิบัติกันขอให้เราลองเชื่อและลองปฏิบัติกันดูเถิดไม่ยากเย็นอะไรเลย ให้เลออะถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆมันลําบากตรงไหนเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทําไมเราจะคิดพุโทโธพุธโทโธไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่ศักดิ์สิทธิ์าะเป็นความคิดที่จะหยุดความคิดต่างๆได้เป็นความคิดที่จะทําทใจให้สงบได้นะ เ, เราต้องทํากันนะถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ เราจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่พวกเราทุกคนสามารถหากันได้มีกันได้ดังนั้น ขอให้เรามาทํากันเถิดมาปฏิบัติธรรมกันมาฝึกสติกันมาฝึกนั่งสมาธิกันแล้วก็มาตัดอุปทานความยึดความยึดติดในสิ่งต่างๆเพราะการยึดติดจะทําให้เราทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เรายึดติดจะต้องมีวันจากเราไปนั่นเองเวลาที่เขาจากเราไปเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดติดเราจะไม่ทุกข์ แห็ไหมคนที่เราไม่ยึดติดเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์กับคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเขาเป็นเขาตายเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความยึดติดนั่นเองเราไม่มีอุ ป, ปทานไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเรา mm hmm. พอเขาจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่คนที่เราไปยึดติดนี่ mm hmm. เวลาเขาจะจากเราไปนี่เราจะทุกข์มาก mm hmm. แต่เราตัดได้ ตัดได้ด้วยปัญญาให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีกวนจากกันไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปตลอดถ้าไปยึดไปติดแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดจะไม่ทุกข์เราคอยเตรียมตัวสอนใจไปเรื่อยว่าต่อไปนี้เราต้องไม่ยึดติดกับอะไรให้เราติดอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวความสงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอด จะไม่จากเราไปเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกด้ให้เรามาติดกับความสงบมานั่งสมาธิบ่อยๆมาทำใจให้สงบแล้วก็มาตัดความอยากในสิ่งต่างๆ อ, าอย่าไปอยากอย่าไปมีเพราะอยากแล้วมันจะไปติดอพอได้แล้วมันจะติดพอติดแล้วเดี๋ยวเวลาที่มันต้องจากกันมันก็จะทุกข์ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันเพราะพุทธเจ้าสอนเราแต่ทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเองแต่ถ้าเราไม่มีคนสอนเราก็จะไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็จะทำเหมือนเดิมทำเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่คือหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็เราก็จะต้องมาทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็จะมาทุกเวลาที่เราพัดพากจากสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเ<ม>ช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ<ม>่นรสผธพะเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องทุกข์กันเทพพุทธเจ้าเพียงแต่สอนเราเท่านั้น<ม>บอกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุข แต่เราต้องเป็นผู้เลือกว่าเราจะเอาทุกหรือจะเอาสุขกันถ้าเรายังอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขผ่านทางร่างกายเราก็จะต้องทุกข์กันเพราะเราจะต้องมีร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <c oughs> แต่ถ้าเราเลือกเอาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ <c oughs> เราก็จะได้ความสุขที่แท้จริง จะได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นผู้บอกทางเสียดายท่านปฏิบัติให้เราไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้พวกเราได้ mm. พวกเราก็สบายกันไปหมดแล้วไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กัน mm. ไม่ต้องมาทุกข์มาวิตกมากังวลกันไม่ต้องมาหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กัน mm. แต่เราสามารถที่ปฏิบัติได้ พระพุทธเจ้าบอกเราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองการเป็นที่พึ่งของเราก็คือพึ่งด้วยการปฏิบัติธรรมนี้เองขอให้เรามาเจริญสติกันมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธกันไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีสติก็นั่งสมาธิกันถ้านั่งแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วเราก็จะมีความสุข เราก็จะเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีอะไรเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจของเรานี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงของเรา ที่ไปยึดไปติดร่างกายที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราที่จะให้ความสุขต่างๆกับเราแต่เราไ ม, ไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่รู้ว่าร่างกายไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดร่างกายจะต้องมีวันที่จะให้ความทุกข์กับเราแอนเราควรที่จะเลิกใช้ร่างกายกันเลิกพึ่งร่างกาย มาพึ่งธรรมะกันมาพึ่งธรรมังสารนังกรฉามิกันทมที่เราต้องพึ่งก็คือสติสมาธิปัญญานี้ที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันอขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆใจเย็น ไม่ใช่อย่ารีบร้อนอยากอยากได้ผลทันทีทันใดเพราะมันเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่โตทันทีมันจะต้องใช้เวลาแล้วกว่ามันจะออกดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้ถ้าเราคอยรดน้ำพทวนดินไปไเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเติบโ ต, ตขึ้นไปตามการตามเวลา ถ้าเราเริ่มมาฝึกสติกันตั้งแต่บัดนี้แล้วฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปสติเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะนั่งสมาธิสงบได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะลดการพึ่งพาอาศัยร่างกายลงไปตามลำดับเลิกพึ่งพาอาศัยข้าวของเงินทอง เลิกพึ่งพาอาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถพึ่งตัวเราเองได้มีความสุขในตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการที่เราไปพึ่งร่างกายนี้เองไปพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้จึงทําให้เราต้องทุกข์กัน เราเลิกพึ่งร่างกายเลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้เราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเชื่อฟังมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาเอาไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความกล้าหาญอดทนการปฏิบัตินี้ต้องอดทน เพราะมันเหมือนกับปีนเขาการเดินปีนเขาจะขึ้นถึงยอดเขาได้นี่มันต้องมีความอดทนมีความพยายามถ้าต้องการให้มันสบายเหมือนกับเดินลงเขานี่มันก็จะขึ้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับการเดินขึ้นเขาการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่เป็นเหมือนกับการเดินลงเขาหาความสุขผ่านทางร่างกายนี่มันง่ายแต่มันทุกข์กัน มันจะต้องเจอความทุกข์กันแต่หาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้เหมือนการปีนเขากันมันจะทุกข์ตอนที่ปีนกันแต่พอไปถึงยอดเขาแล้วมันจะสบายมันจะเห็นวิวอันสวยงามที่เราจะไม่ได้เห็นเวลาที่เราไม่ได้ขึ้นไปบนเขาขอให้เราคิดถึงผลที่จะตามมาว่ามันคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อย กับความทุกข์ทรมานต่างๆที่เราจะต้องฟันฝ่าแต่ถ้าเราทาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแบบนี้อีกต่อไปถ้าเรายังไม่ทําตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้คือทางเลือกของเราเราจะไปตามทางของพุทธเจ้าก็ได้ หรือเราจะไปตามทางเดิมของเราก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังมีอยู่ที่เรายังพบปะอยู่เราก็ต้องไปตามทางของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ ดังนั้นขอฝากเรื่องคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติให้ท่านได้นำเอาไปพินิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเรวาหาปุราริเรกุลเตรสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏีอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเเบรุเณรตูสังกปาจันโทปนะระโสยาถามณีโชติ ภราสุยทาสสะพิติโยวิวาันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีคาโยโกภอภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมวัฏานติ อายุวันโอสุข no ังภาลังลำดับ ah. ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้ถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษแล้วให พ, พิธีกรอ่านให้ก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาทั้งหมดสา1ร้อยสาสิบเอ็ดคน y o u t u หนึ่งร้อยห้าสิบคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบคนพูดและฟังบนเขาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบหกคนครับผมถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย ฉันถามจาก YouTube นะคะจากคุณกุณลพัสสอนกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งสมาธิและมีแสงสว่างบางๆอ่อนๆเหมือนหยดน้ำที่หยดในทิชูแล้วค่อยๆกระจายสว่างขึ้นเรื่อยๆเต็มใบหน้าโยมต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะาบางาบางทีความสว่างก็อยู่นานบางทีก็ไปไปมาๆค่ะ ไม่ต้องพิจารณาเราเราอย่าไปสนใจแสดงว่าเราเผลอเราไม่มีสติแล้วให้กลับมาหาพุทโธหรือกลับมาหาลมหายใจอย่าไปสนใจกับแสงที่ปรากฏขึ้นมาหรืออะไรต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปสนใจเพราะมันจะ ทําให้เดี๋ยวเราหลงทางได้ให้กลับมาที่พุทธโธหรือกลับมาที่ลมหายใจหรืออารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจนะต้องมีอะไรคอยกํากับใจไว้แล้จะไม่มีอะไรเกิดแล้วใจจะสงบเย็นสบายการนั่งสมาธิเราไม่ต้องการที่จะไปเห็นอะไรเราต้องการให้ใจสงบแต่สงบได้ต้องมีสติกํากับใจอยู่ ต้องมีพุโทโธแล้วมีลมหายใจกำกับอยู่คำถามจาก YouTube จากคุณสมศักดิ์ทองบูกราบนามัตสการครับผมตั้งใจจะบวชและถ้าผมรู้สึกว่าอยากเป็นพิสุทิ์ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าผมมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโททางด้านวิปั ส, สนาภาวนาในขณะที่เป็นภิกษุจะผิดไหมครับและถือว่ามีความทยานอยากไหมครับอ๋อเือเวลาบวชเราก็มีหลักสูตรวิปั ส, สนาอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนที่อื่นถ้าไปเรียนที่อื่นก็หลงทางเพราะที่อื่นสอนไม่ดีเท่ากับในพระพุทธศาสนา เองแต่ว่าเราต้องหาอาจารย์ที่เก่งทางวิปัสนาสอนเองไปหาพระปฏิบัติอย่าไปเรียนทางทางโลกอย่าไปเรียนตามมาหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อรับปริญญาโทอะไรอันนี้ไม่ใช่ทางในศาสนาพุทธเรามีวิปัสนาหลักสูตรวิปัสนาอยู่แล้วให้เรียนในให้เรียนกับพระอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คำถามจาก facebook ค่ะจากคุณพร น, นิพาเมื่อเราพบกับความสุขจากความสงบแล้วในที่สุดก็ต้องวางความสุขวิใช่ใหมคะอ๋อไม่ต้องวางหรอกมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยให้เรารักษาความสุขนี้ไว้อย่าไปวางความสุขนี้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่เราจะสามารถดูแลรักษา ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเราไม่ดูแลรักษามันเดี๋ยวก็จะหายได้นเราต้องดูแลรักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิคาถามจากคุณใจฉันมีแค่เธอกาบเรียนถามเจ้าค่ะชีวิตดิฉันเจอทางตันและมืดไปหมดยิ่งพยายามทำดีก็ยิ่งเจอปัญหา อยู่นิ่งๆเฉยๆก็มีปัญหาไม่ทราบว่าเป็นเพราะเราเองหรือเวรกรรมจึงค่ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้ทางพ้นทุกข์ด้วยเจ้าค่ะว่าควรปฏิบัติทำเช่นไรเพราะกิเลสของเราเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาขึ้นมาเราต้องทำใจให้สงบหยุดกิเลสก็เ ร, เราใจสงบหยุดกิเลสแล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นปัญหา เราจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ความแก่ความเจ็บความตายก็เฉยได้นินทาสรรเสริญก็เฉยได้ความยากดีมีจนก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะใจไม่สงบพอใจไม่สงบกิเลส ก, ก็ออกมาวุ่นวายงั้นเราต้องทำใจให้สงบหยุดกิเลสแล้วใจเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่าง คำถามต่อไปจากคุณทเนศกราเปียนถามเรื่องปัญญาที่เกิดจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิหรืออะไรคือปัญญาที่แท้จริงครับ อ, อ๋อปัญญาก็คือความรู้ที่มาหยุดความอยากนั่นเองพอโลภอยากได้เงินพอมีปัญญาบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าหมายถึงว่าพออยากจะได้ของเช่นนี้ แ ต, แต่พอมารู้ว่าเป็นลูกระเบิดก็ไม่เอาเดีวกว่าเอาแล้วเดี๋ยวระเบิดตูมตางขึ้นมาจะตาย hey. ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกระเบิดก็ไปเล่นกับมันเหมือนเด็กเด็กไปหยิบลูกระเบิดมาไม่รู้เป็นลูกระเบิดก็ไปเล่นพอไปเล่นเดี๋ยวมันก็ระเบิดขึ um ้นมาแต่คนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่านี่เป็นลูกระเบิดพอรู้ว่าเป็นลูกระเบิดไม่เอาดีกว่าให้ตำรวจไป ทคำถามจากคุณธงทำรงขอเรียนถามครับถ้าเราดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนดื่มแล้วก็นอนจะผิดไหมครับก็ไม่มีเรื่องกับคนอื่นดื่มอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วก็นอนจะผิดไหมครับผิดเสียเพราะมันไม่ได้นั่งสมาธิไงถ้าไม่ดื่มเบียร์จะได้นั่งสมาธาาิจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการดื่มเบียร์ ดื่มเบียร์แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บสุรานี่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคภัยต่างๆขึ้นมาทำให้อายุสั้นกำลังทำร้ายตัวเองงั้นอย่าไปดื่มเมื่อไม่ดื่มก็ไม่เมาก็จะนั่งสมาธิได้คำถามจาก YouTube จากคุณรักช้างพระอภิธรรมกับการปฏิบัติสมาธิ มีความจําเป็นรู้ไม่ขอรับ อ, อ๋ออภิธรรมแล้วก็ที่เราอ่านเราฟังเทศคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอภิธรรมดังนั้นแหละพแต่เราไม่ได้พูดเราเป็นอภิธรรมมันก็เป็นธรรมที่ทําให้เร า, าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาอริยศาศาสัจสีนี่ก็เป็นอภิธรรมอยู่แล้วคําถานจาก y o ยูทูบ จิตที่สงบลึกว่างเคยเป็นแค่ครั้งเดียวค่ะทำอย่างไรจิตจะลงได้อีกคะก็ทำแบบเดิมสิตอนที่มันลงมันลงแบบไหนก็ทำแบบนั้นเหมือนเราเคยไปที่นั่นทางไหนเราก็กลับไปทางเดิมเลยถ้าเราไปทางอื่นมันก็ไปไม่ถึงหมดแล้วเหรอคอยสังเกตว่าเวลาจิตเราสงบสงบได้อย่างไรข้าวหน้าเราจะได้จาได้ บางทีนั่งแล้วสงบเราไม่รู้ต่อเราหน้าอยากจะนั่งให้มันสงบเอ้ยไม่สงบเพราะมันไม่เหมือนกันนะบัวแต่ไปคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีมันก็เลยไม่สงบแต่ตอนที่เรานั่งมันสงบเราไม่ได้คิดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าความสงบเป็นยังไงมาอย่างไงเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปดูลมไปอย่างเดียวมันก็เลยสงบได้ถ้าไม่รู้วิธีไปเข้าสู่ความสงบก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว หรือดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้อย่าไปคิดถึงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมันสงบถ้าคิดแล้วมันไม่สงบหมดแล้วเหร อ, อยังมาอยู่ไหมมาใกล้ๆหน่อยสิจะได้ไม่ต้องส่อมาขยับมาตรงนี้หน่อยอะจะได้เห็นหน้าเห็นตากนันบ้างคำถามจากอิน o x นะคะ กราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบเรียนถามครับว่าการวางใจให้ว่างและใช้ทางสายกลางในการรับกับปัญหาที่มีอยู่และใช้การว่างของใจรับมือกับอุปสรรคและปัญหาผมทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องว่างจริงหรือเปล่าถ้าจะว่างก็ต้องมีอุเบกขาจะมีอุเบกขาก็ต้องมีสติ ต้องนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบมันถึงจะว่างจริงถ้าไม่อย่างนั้นมันว่างปลอมมันนึกอยากจะว่างก็ว่างเวลาไม่ว่างมันนึกไม่อยากจะว่างมันก็จะไม่ว่างขึ้นมาเดี๋ยวคุณลุงจะถามปัญหาหน่อยนะสอง่งสายไหมครับพระอาจารย์ผมมีเรื่องที่กราบขอความเมตตาพระอาจารย์สองเรื่อง อ่าเรื่องที่1น่งเมื่อกี้พระอาจารย์เทศว่าการใช้ร่างกายามีทุกขหรือว่าการมีร่างกายมีทุกเนี่ยผมเข้าใจที่พระอาจารย์ต่างจอนแต่มันมีข้อหนึ่งที่อาจารย์บอกไม่อ่าทุกที่เกิดจากการไม่มีร่างกายหรือแคไม่ได้ใช้ร่างกายเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับอ่าก็หมายถึงเวลาร่างกายไม่สบายไปที่ไม่ได้ไปเที่ยวมันก็ทุกไม่ล่ะ จะไปนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้มันก็ทุกเพราะนั้นทุกจะเกิดจากการไม่มีร่างกายไงแต่สําหรับคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเขาก็ไม่ทุกแต่คนที่ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่พอร่างกายไม่สามารถรับใช้เราได้เราก็ทุกครับนะคือทุกแบบไม่มีร่างกายครับนะผมเข้าใจข้อที่สองนี่การฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยผมฟังวังจากผู้ที่ถามหลายๆคนเนี่ยคือตัวผมปฏิบัติแล้วไม่มันไม่ตรงคำถามที่คนอื่นถามคือหมายว่าถ้าผมนั่งกรรมฐานแล้วทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันสงบไ ม, ไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านจริงอยู่แต่หลังจากอกอกออกมาแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะตัดกิเลสโลกโกรธหลงหรือราคะตา่าง ไม่ว่าทางอายตนณะภายในภายนอกได้เนี่ยบางตัวเนี่ยหมดไปเป็นร้อยเปอร์เซนตบางตัวนี่ก็เริ่มเริ่มปฏิบัติแล้วก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วผมมีความสุขมากครับพระอาจารย์โดยที่รู้ลมหายใจตรงนี้ผมปฏิบัติกรรมฐานนะฮะถูกหรือถูกครับเพราะไม่เหมือนชาวบ้านเ่าเลยครับอ๋อก็เวลา ไม้มันใกล้เดี๋ยวปิดปิดไม้ก่อนเนะี่ยหรื อ, อก็เวลาเราออกจากสมาธิใจยังสงบมันก็มีความสุขแต่มันมันจะมีปัญหาตอนที่เกิดความอยากไงเกิดกิเลส ข, ขึ้นมามันความสุขก็จะหายไปตอนนั้นเราต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้หรือไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ ให้เราทุกกับแฟนกลัวแฟนจะทิ้งเราอย่างนี้เราก็บอกแล้ว เ, เราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราเป็นอนิจจังอนัตตาใช่ไหมเขาอยากจะไปเขาก็ไปเขาอยากจะอยู่เขาก็อยู่เราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเขาจะไปก็ให้เขาไปพอเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะมาทําให้ใจเราทุกข์เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์นั้น ว่ามันเป็นเหมือนฝนตกมันเนี่ยฝนตกเราห้ามมันได้ไหมมันจะตกก็ต้องตกเราไม่อยากให้มันตกก็ไม่ได้ถ้ายอมให้มันตกเราก็ไม่ทุกข์กันถ้าอยากให้มันไม่ตกเราก็วุ่นวายกันใหญ่ดังนัเราต้องมองความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงมันอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับอย่างนี้เรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญาเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรแต่ถ้าไม่มีปัญญาใจทุกข์ก็ใช้สติหยุดมันก่อนกลับเข้าไปในสมาธิก่อนก็แล้วพอไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราไม่สบายใจมันความไม่สบายใจก็จะหายไปพอจะเข้าใจยังพอเข้าใจสรุปแล้วที่นั่งสมาธิเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า ผมมีปัญญาเกิดขึ้นที่ไปดับความอยากและที่เหล็กต่งกางๆได้หลายๆเรื่องแล้วพอมันจางผมก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่การที่อยพระจางผู้เป็นผีต้องกลับก็ถูกแต่มันยังไม่ถูกแท้จริงเพราะถ้าใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ได้ปัญญามันจางลครับอาจารย์จากความรู้สึกอันนั้นไม่ใช่ปัญญาและอุเบกข า, ขาใจวางเฉย ผมจะต้องคำอย <c oughs> <c oughs> ากกับก็เราใบรักอะไรเราก็ทุกข์กับสิ่งที่เรารักใช่ไหมแล้วพอเราคิดเราไม่อยากให้เขาจากเราไงนี่เราก็ดูความจริงว่าเขาต้องจากเราหรือเปล่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าวันดีคืนดีเขาจะจากเราเขาก็ไปแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาจะไปไงเขาไปสิ ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาอยู่เราก็จะไม่ทุกข์เราต้องเปลี่ยนใจเราเพราะนั้นผมใช้อุเบกขาให้ไม่มาตรฐานไว้ก่อนแล้วเสริม้างให้เกิดปัญญาขึ้นไปใช่ใช่ตามกฎตารักตามกฎตายรักถ้าไม่มีอุเบกขาก็ทำใจไม่ได้รู้ว่าเขาจะไปแต่ก็ยังไม่ยอมให้เขาไปอ่า คต่อไปคำถามจากไลน์ค่ะคุณนุชถามว่ากราบนมัสการพระอาจารย์จะแก้ปัญหาอย่างไรคะในขณะที่นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจะมีอาการหัวสั่นสะเทือนทุกครั้งพยายามแก้ไขแต่ไม่สำเร็จเป็นมาปีหนึ่งแล้วค่ะขอคำชี้แนะด้วยค่ะก็เรานั่งแบบไม่มีสติไงนั่งเฉยเฉยมันก็สั่นอะมันผีเข้า เราต้องมีสติคอยควบคุมใจไว้แล้วมันจะไม่สั่นเหมือนตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเรามีสติกันเราไปนั่งเฉยๆคุยกันได้ไม่สั่นมากแต่พอเรานั่งสมาธิเรากลับไม่มีสติกันไม่ใช้สติกันต้องใช้สติอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันทำลายตามเรื่องของมัน เ, เราต้องมีสติควบคุมบังคับให้มันอยู่เฉยๆให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธอยู่รับรองได้ไม่สั่นที่มันสั่นเพราะไม่มีพุโทโธหรือไม่ดูลมหายใจเข้าออกองั้นต้องมีสติมันถึงไม่สั่นคำถามจากเ c e b ุ o กคุณสุธีมากราบเรียนถามเจ้าค่ะนั่งภาวนาจิตเข้าสู้ความสงบคือใจไม่มีความคิดใดๆ ณขณะปัจจุบันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่างนี้เรียกว่าความสงบได้หรือไม่คะสาธุูค่ะก็สงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่มันจะเหมือนกับตกจากที่สูงลงมาแล้วมันก็นิ่งพุทโธก็หยุดได้สักแต่ว่ารู้เฉยๆคำถามจากคุณการพยากร ในการนั่งสมาธิหาพระใส่มือหรือลูกแก้วแล้วกำหนดจิตไว้ที่พระที่ลูกแก้วการจิตคิดอย่างอื่นใช้ได้ไหมครับเอาพระใส่มือไว้เลยลูกแก้วใส่มื อ, อคงจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องควรที่จะเอาของที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่า เช่นลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับที่ลมหายใจเข้าออก<ม>เพราะว่าของที่อยู่ในมือเรานี่มันมันยังเป็นของที่เราจะต้องใช้การสัมผัสต้องมันจะส่งจิตออกนอกมันจะส่งไปที่อของนั้น<ม>ให้เอาของที่มีอยู่ในจิตดีกว่า<ม>ถ้าสมมติว่าเราเรานึกถึงของที่อยู่ในมือก็ได้<ม>แต่อย่าส่งจิตไปที่มือก็แล้วกัน คำถามจากคุณเกดปราบนมัสการพระอาจารย์ขอคําชี้แนะเจ้าค่ะการนั่งสมาธิสามารถขับคุณใส่ออกจากภายในได้จริงมากน้อยเพียงใดเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ต้องขับหรอกเพราะมันไม่มีออคุณใส่มันไม่มีเราไปเชื่อมันขึ้นมาเอง เ, ออเป็นเรื่องของความเชื่อเฉยๆยังไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรอกเพียงแต่ไม่เชื่อมันก็ไม่เข้าแล้ว พอไปเชื่อมันก็เลยเข้านะมันเข้าเพราะความเชื่อของเราคำถามจากคุณมานะกราบเรียนถามว่าบุญกับทานเหมือนกันไหมครับบุญเป็นผลที่เกิดจากการทำทานเข้ ม, มบุญนี้แปลว่าความสุขใจอิ่มใจเกิดจากเวลาที่เราทำทานหรือทำอย่างอื่นนักษาศีลก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญ ว่ามันได้ความสุขใจอิ่มใจเงแต่ว่ามันมากน้อยไม่เท่ากันท่านั้นเองทานน้อยกว่าศีลศีลศีลน้อยกว่าสมาธิสมาธิน้อยกว่าปัญญาคำถามจากคุณธานทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้พยายามถือศีลแปดในชีวิตประจำวนันแต่มีหลายครั้งที่พ่ายแพ้กับกิเลสเช่นดูเฟ๊ อ่านิยายทาครีมและอื่นๆเจ้าค่ะควรทําอย่างไรเมื่อใจอยากทําในสิ่งที่คุ้นเคยโดยเฉพาะตอนกลางคืนก่อนนอนเจ้าค่ะ อ, อ๋อเราก็ต้องบังคับใจเราฝืนไปฝืนบังคับมันเอาของที่เราจะใช้โยนทิ้งไปเลยอย่าไปอยู่ใกล้มัน อ, อแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ใช้มันได้ คำถามจากคุณสิริวัตรสิริมงคลกราบเรียนถามครับความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเราควรจะมีสติรู้สักแต่ว่ารู้แล้วปล่อยให้มันดับไปเองหรือว่าต้องหยุดมันไม่ให้คิดครับอ๋อต้องหยุดมันมันไม่มันไม่หยุดเองเหรอกมันคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายมันก็ยังไม่หยุดคิดแล้วต้องหยุดมันด้วยสติพุโทโธพุโทโธไป พอมันคิดอะไรเราอยากจะหยุดมันแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะคิดไม่ได้คําถามจากคุณนันทนาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงมีอาการเหมือนเดินอยู่บนเรือเหมือนจะล้มแต่ก็ค่อยๆกําหนดเดินจนครบหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ล้มแล้วนั่งสมาธิต่ออีกหนึ่งชั่วโมงก็สงบไม่มีความคิด พอปฏิบัติเดินจงกรมอีกก็มีอาการเหมือนเดิมอีกต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะพอะเวลาเดินเราไม่มีสติอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นให้มีสติอยู่กับเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธไปอย่าเดินเฉยๆเดินโดยไม่มีสติเดี๋ยวมันก็เกิดอาการเคว้งคว้างขึ้นมาได้ต้องมีสติตลอดเวลาไม่ว่าเดินือนั่ง คำถามจากคุณอนาระโยวิมุตติครั้งหนึ่งได้ฟังบทสวดพระพุทธคุณในรถขณะที่จอดรถติดไฟแดงอยู่ก็รู้ขนหัวลุกเสียงเสียงแวดล้อมไกลออกไปเป็นเสียงแววและตาเหมือนเห็นเฉพาะเลนแก้วตาพอรถเคลื่อนออกไปจนไปติดอีกไฟแดงหนึ่งจึงรู้สึกว่าขยับมือได้และหายใจเหมือนขึ้นจากน้ำ ขณะนั้นไม่รู้ว่าจิตรวมเข้าใจว่าสมาธิต้องนั่งโยมเลยไปกราบถามครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเสียดายโยมทำไม่เป็นท่านบอกไม่ต้องเข้าสมาธิลึกให้อยู่ตื้นๆและพิจารณากายแต่โยมทำได้ไม่ค่อยดีอยากกราบเยนถามพระอาจารย์ว่าโยมควรทำอย่างไรต่อไปคะเพราะจากนั้นมาโยมเป็นแบบนี้บ่อย ขณะนั่งฟังครูอาจารย์ก็หูดับตาก็เหมือนเลนที่ปรับรูงเข้าจนภาพจะดับอีกโยมพยายามบอกตัวเองประทองสติจึงกลับมาเป็นปกติขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยนะคะอ๋อเวลาจิตสงบมันก็เหมือนหูดับดับไม่ได้งั้นมันต้องเป็นสองส่วนไงเวลาทำสมาธิเราก็ต้องการให้ใจสงบ มันจะนื่องจะหูหนวกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอเราออกจากสมาธิมาเราก็ถ้าอยากจะให้มีปัญญาเราก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาว่าสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆเพรานั้นเป็นสองส่วนด้วยกันเวลานั่งสมาธิมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะ อาจจะรู้สึกหูดับตับไหม้ไปก็ไม่เป็นไร ใ, ให้มันนน่งให้มันว่างให้มันเฉยเฉยไปนานๆแต่พออกจากสมาธิมาเราก็มาใช้ปัญญาเราฝึกใช้ปัญญาถ้ามันจะหูดับตับไม้ก็ปล่อยมันก็พักมันละมันอาจิตมันอยากจะเข้าข้างในก็ปล่อยมันเข้าข้างในไปแล้วเวลาออกมาแล้วเราค่อยมาเจริญปัญญาต่อคําถามจาก คุณรูปนามสติปัฏฐานสี่คืออะไรอ๋อเป็นวิธีปฏิบัติทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันออตอนต้นให้สอนให้เราฝึกสติก่อนพอมีสติให้าวเรานั่งสมาธิตอเรานั่งสมาธิจิตสงบออกจากสมาธิเราก็มา ฝุดปัญญาเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตต่อไปหมดแล้วเหร อ, อ, อมีใครอยากจะถามอะไรไหมออมีเวลาประมาณสี่นาทีอถ้าไม่มีแวลไม่มีใครอยากจะถามวันนี้ฝนตกก็คิดว่าจะปล่อยให้กลับบ้านก่อนเวลานิดหน่อยก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิติจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ